สรุปว่าไอ้ความไม่รู้นี่แหละมันจะเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลนะนะโลกนี้ก็บอกว่ามีขึ้นต้นด้วยอวิชชาเนี่ยนะขึ้นต้นด้วยความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่เป็นที่ยอมรับกันหมดเลยนะถ้าใครบอกเพราะไม่รู้ว่า ง, งั้นเถอะอันนี้ก็ไม่ค่อยผิดนะนะเพราะมันมันมันยอมรับกันมันทาตใกล้ใกกันก็เห็นกันเข้าใจกันพอดีเลยนะนะส่วนกาลยาณนะปุตุชนนี่ก็ละไว้ ใ น, นความเป็นปุตุชนอันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดทิฐิขึ้นทีนี้ทิฐิเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนี้เขาคิดยังไงเขาคิดยังไงจึงเป็นมิจฉาทิฐินะจิตที่เหลือนี้ไว้ก่อนนะไม่ไม่พูดถึงเน้นจะพูดเฉพาะโลภทิฏฐิกะตะสัมปยุทธ์นะคุยกันไปคุยกันมาแล้วเอาจิตอย่างอื่นมา นี่ไม่ได้ครับก็ตั้งกติกากันไว้ก่อนทีนี้ต่อไปลักษณะของมิจฉาทิฐิเนี่ยนะคือเช่นในส่วนของรูปประคันก่อนก็แบ่งออกเป็น5ประการนะที่เป็นสกายัทิฐิเนี่ยนะอขอไป4ประการคือเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา นนะคือถ้าใช้คําว่าตัวตนนี่เมื่อวานก็แยกแล้วใช่ไหมเออตัวนี่มันยังไงถ้าคิดอะไรเป็นตัวตัวนะกระต่ายเขาก็เรียกเป็นตัวตุ๊ ก, กต า, าก็เรียกเป็นตัวเพราะฉะนั้น ท, ทับศัพท์ไปเลยว่าเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะอัตตานี้เป็นเป็นสิ่งที่เดรัจฉีคิดขึ้น น, นะหรือความเป็นปุตุชนนี้คิดขึ้นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะอัตตามันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มว่าอัตตาที่เที่ยงกับอัตตาที่ที่ศูนย์เนี่ยนะ อัตราบางอย่างเที่ยงอัตราบางอย่างศู น, นย์งนั้นพวกที่เห็นรูปโดยความเป็นอัตราเนี่ยนะก็คือมองว่าชีวิตของเขาคือรูปรูปคือชีวิตคือสิ่งเดียวกันน่ะเพราะพวกเห็นรูปโดยความเป็นอัตราอย่างเนี้ยพวกนี้เป็นอุดเฉษฐทิฏฐิเดี๋ยนะให้รู้ไว้เลยว่าพวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์นะตายแล้วศูนย์เลยจบกันเลยพวกที่เห็นรูปโดยความเป็นอัตราเนี่ยนะ อันน้ข้อหนึ่งข้อสองก็คือเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปไม่ใช่รูปมันไม่ใช่อัตตาหรอกแต่มันเป็นของอัตตาลักษณะนี่นะคือคือลักษณะเช่นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะคำพูดประเภทนี้แหละคือมันแล้วแต่จิตหรือแล้วแต่ความคิดมันจะสั่งรูปว่างอนกนเถอะแนวความคิดแบบนี้ถ้าไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยเรียกว่าเห็น อัตตาเนี่ยมีรูปคือสําคัญว่าจิตเนี่ยวิญญาณที่ที่เขาจะบอกมันล่องลอยมันอะไรเนี่ยวันนี้พวกนี้ก็ถือว่าจิตนี้เป็นอัตตาก่อนเพราะฉะนั้นคือศับว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยแล้วแต่ใครพูดอีกครั้งหนึ่งไหมเพราะถ้าคนสัมมาทิฏฐิพูดก็ก็สัมมาทิฏฐิเหมือนกันเถอะแต่คนที่ไม่ศึกษามไม่แยกแยะเลยโดยมากก็เป็นพื้นฐานมาจากานะมิจฉาทิฏฐิส่วนข้อสามต่อไปก็คือเห็น รูปเนี่ยในอัตตาข้อที่สก็คือเห็นอัตตาในรูป น, นะก็ก็มันแทกแทรกกันอยู่นะไม่รู้อะไรแทรกอะไรอยู่ก็ในั้นแหละคือพวกสมอขอขอนะข้อ3ข้ อ, ขอ2ข้อสามข้อ4ีเนี่ยนะสามข้อหลังเนี่ยเป็นกลุ่มสัตตะทิฏฐิและพวกนี้ถือว่านามนี่เป็นอัตตา พื่เนี้ยนะถือว่านามเป็นอาตาัตราก็ไม่รู้แหละพอเห็นหรือได้ยินแล้วเอาเรื่องนี้มาคิดแล้วความคิดตามแนวนี้คือคือมิจฉาทิฐิถ้าถ้าจะเป็นมิจฉาทิฏฐนะิแต่ว่ากลุ่มไอคิดแบบมันลึกซึ้งขนาดนี้นะว่าให้ตรงเนี่ยคนไทยไม่ค่อยคิดพวกแขกอาจจะคิดเนี่ยนะ พวกอะไรที่มันคิดอะไรที่มันยุ่งยุ่งคิดแล้วมันสับสนคิดแล้วงงไปหมดเลยนะคือพวกนี้จะเป็นแขกจะคิดมากแต่ถ้าไทยไม่ค่อยคิดอะ่ะเนี่ยนะเพราะไทยลักษณะการ ม, มัศุ ข, ขัลิกานุโยคมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มทิฏฐิเนี่ยนะคือกลุ่มแค่ว่ากลุ่มการมุปาทานมากกว่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกปาทานนี่ก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกามเนี่ยไว้ก่อนเลย นักฝันนักจินตนาการนักสารพัดอยู่นั่นหมดแล้วน ะ, ะทีนี้ต่อไปว่าพวกที่เห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอัตตาเนี่ยพื้นฐานจากการไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเมื่อมีการแยกแยะเนี่ยนะตามพระพุทธเจ้า ถ้าถ้ามีการมาแยกแยะตามตามคําสอนน่ะนะมันก็จะไม่มีอย่างที่เขาเขาคิดเลยเนี่ยนะพอพอแยกแยะเสร็จก็ไม่มีเลยอย่างเช่นบางพวกก็ก็ถือเขาก็จะบัญญัติพวกนี้มามาอีกครั้งหนึ่งนะว่าจิตเจตสิกรูปเหล่านี้บัญญัติมาเป็นถ้าตามคําสอนนะบัญญัติมาเป็นขันบัญญัติมาเป็นอายตนะ มันหยัดมาเป็นธาตุพระองค์ก็จะแยกให้ดูเลยใช่ไหมแยกว่าชีวิตเนี้ยรูปเป็นนะรูปทั้ง27เป็นรูปประขันนะจิตที่กล่าวไปแล้วเป็นวิญญาณขันส่วนที่เหลือเป็นสังขารขันก็มาแยกให้ดูก่อนพอแยกเสร็จแล้วถามว่าคุณเห็นรูปใช่ไหมว่าเป็นอัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมว่าเป็นอัตตาหรือว่าอัตตาเนี้ย มีรูปอัตานี่มีเวทนาอัตานี่มีสัญญาอัตานี่มีสังขารอัตานี่มีวิญญาณหรือว่าอัตานี่ เ, เข้าไปเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณนี่อยู่ในอัตช่มไหมหรือว่าเห็นอัตานี่อยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็พอค้นมาแบบนี้จริงๆก็ก็ไม่มีใช่ไมในสูตรก่อนที่ศึกษากันก็คือถามว่า เนี่ยคำว่าสัตว์เนี่ยเป็นโวหารที่ที่มาบัญญัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นรูปใช่ไหมเป็นสัตว์ใช่ไหมก็ก็เอาแบบมิลินทปัญหาก็ถามว่าพระกุณเจ้าชื่ออะไรบอกชื่อนาคเก น, นะ น, นนะนาคเษนนะผมใช่ไหมเป็นนาค เ, าเกษนบอกไม่ใช่ ขนใช่ไหมเป็นหน้ากรเกษนไม่ใช่เล็บฟันหนังเนื้อแล้วก็ไล่อย่างเงี้ยนะค่อยๆถามเป็นอันอันอันอันอันแยกแยะถามอย่างเงี้ไปเรื่อยๆเอางั้นพระเจ้าคุณ เ, เจ้าก็มุสาสิก็ถามดูแล้วมันไม่มีหน้ากรเซ็นอ่ะผมก็ไม่ใช่เล็บ ก, ก็ไม่ใช่ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกเป็นต้นก็ไม่ใช่อนนะทีนี้ไอ้คาถามอันเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้คําถามแก้ทิฏฐิแต่คําถามเพื่อที่จะ เล่นเรียว่าเรื่องปฏิพนันธ์เนี่ยนะว่าใครปฏิพันธ์ดีกับใครนะทั้นพระเจ้าเออพระนาคเกษตรท่านก็ถามใหม่เออเรื่องนี้พักไว้ก่อนเหมือนกันเถอะเอ้โยมนี่เป็นสุขุมารชาติเนี่ยนะลำบากลําบนต้องเดินมานะที่จะมาเนี่ยมาวัดเนี่ยต้องเดินมาใช่ไหมกะบอกไม่ใช่พระคุณเจ้าโยมมาด้วยรถอานาะรถนะมาด้วยรถใช่ไหมใช่ล้อใช่ไหมเป็นรถตั้งคําถามแบบนี้ขึ้นล้อใช่ไหมเป็นรถ เรียกว่าเขาก็ถามว่าทูบใช่ไหมเป็นรถกงใช่ไหมเป็นรถอะไรก็ไล่ถามอย่างนี้ไปเรื่อยเอา้าโยมนี่เป็นพระราชานี่มูสาอย่างี้ไม่ดีนะก็บอกว่ามาด้วยรถพอถามนะั่นไม่มีรถ <c oughs> แต่ก็บอกเออชันนั้นแหละหน้าเกษตรนี่กับเขาบอกว่ารถนี่เป็นโวหารชั้นใดก็ดีหน้าเกษตรก็เป็นโวหารเพราะถ้ามีการแยกแยะไปแล้วสิ่งนี้เป็นโวหารที่เรียกกันคำว่าสัตบุคคลคําว่าสัตว์ คำว่าปานะคือคำว่าพูดทั้งหลายแหละเป็นศัพท์ที่เป็นโวหารไว้เอาไว้เรียกขานกันแต่ก็ไอมิจฉาทิฐิความที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังไม่มีการวินิจฉัยไม่มีการแยกแยะก็เลยสําคัญหมายว่าจริงเข้าอันเนี้ยที่ที่ที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยก็ไปสําคัญว่าจริงเข้าสมมุติว่าเหมือนกับคนอากาศมันเย็นๆอ่ะนะฝันมาว่ายน้ําอย่างเงี้ย อากาศหนาวมากแล้วฝันว่าอาบน้ําทั้งคืนอย่างเงี้ยไหถามว่าไอ้ที่เขาฝันเนี่ยจริงไหมเขาฝันจริงไหมก่อนจริงเขาอาบน้ําจริงไหมไม่จริงอ่ะนะว่าอทิฏฐิเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันคือเขาคิดแบบนั้นจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดมันมันไม่จริงอ่ะนะแต่ถ้าเขาแยกแยะแล้วก็อ๋อไอ้สิ่งแบบนี้ที่เขาเย็นเนี่ยเพราะมันอากาศมันเย็นอุปนิสัยที่เคยอาบน้ํามาอันนะัเป็นปัจจัยให้ก็เลยฝันว่าเหมือนกับอาบน้ำอย่างเงี้ยไง ก, ก็ด้วยอำนาจของปัจจัยแตผ่ผู้ที่ไม่มีการแยกแยะ ก, ก็สำคัญอย่างนั้นไปจริงๆแต่เขามีกลุ่มหนึ่งวิธีถามเขาใช้อายตนะมาถามคนตาใช่ไหมเป็นสัตว์นะหูใช่ไหมจมูกใช่ไหมลิ้นใช่ไหมกายใช่ไหมหรือว่าใจใช่ไหมตัวใจนี่มันเกิดอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะนี่ยมนก็พอถามด้วยอายตนะก็ไม่ใช่อีก หรือจักขู่ธาตุใช่ไหมรูปธปาตุหรือปฐวีธาตุอาโปธาติตโชธาตุพระพุทธเจ้านั้นแสดงขันอาิยธนาธาตุเพื่อให้มีการแยกแยะขึ้นเมื่อมีการแยกแยะใครครวนแบบนี้นะสกายติฐิก็เป็นอันละไปเพราะฉะนั้นสอสกายติฐิที่ละโดยตทางขาปาพารเนี่ยศึกษาเรียนรู้แล้วใคร่ครวญตาม ก, ก็ละได้แล้ว ทีนี้เมื่อละความสำคัญที่เป็นทิฏฐิแบบนี้แล้วนะถ้าพื้นฐานมีการแยกแยะแล้วรอบรู้ถึงปัจจัยของขันธ์ปัจจัยของอายตนะปัจจัยของธาตุที่มาประชมให้ขันธ์อายตนะธาตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อแยกแยะแบบนี้เข้าก็จะไปคิดเรื่องอดีตจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าไม่แยกแยะเลยนะนี่เป็นสัตว์ ทีนี้ถ้าคิดอย่างนี้ว่าเป็นสัตว์ขึ้นนะนะที่มาก็บอกเอ๊ะ อ, อดีตเรามีหรือไม่มีมันจะ จ, กกจะจําเป็นที่มาของคาถามอีกเอ๊ะเนี่ยชีวิตเนี่ยเราเนี่ยคิดแบบไม่แยกอะไรเลยสักอย่างนึ่งนะเราเนี่ยอดีตมีหรือไม่มีตกลงมีหรือไม่มีคุณบรชูุเราเนี่ยอดีตมีหรือไม่มีมนั่นเห็นหรือเปลังจะเข้าเข้าล็อกอีกแล้คุณธน า, าเราเนี่มีหรือไม่มีอดีตเนี่ย ให้ เ, เราไม่มีใช่ไหมนาดิตออตคุณน้องตกลงเราเนี่ยอดีตเนี่ยอดีตการอันยาวนานนะหลายสิบหลายสิบสิบชาติเนี่ยเรามีหรือไม่มี <c oughs> มันมีสมุทยัยตอบหน้าดูเลยนะ <c oughs> เ, อเอาพวกกนันชนะต่างหากแล้วสรุปก็เราเนี่ยอดีตเนี่ยเรามีหรือไม่มี อ๋อคำถามที่ไม่น่าตอบนะแ ล, แล้วแล้วถามยังไงจึงจะน่าตอบคำนยกนปณิธานในอดีตมีป่าอ๋อนะในแสดงว่าตอบแบบแหมมีชั้นเชิงมากคือถ้าตอบให้ตรงอ่ะนะไอะคำว่าที่คุณถามว่าเราเนี่ยในอดีตกาเนี่ยมีหรือไม่มีเราของคุณเน่ยมันคืออะไรใช่ไหมผมใช่ไหมเป็นเรา เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกใช่ไหมเป็นเราหรือจากครูวิญญาณโสตค า, านาะชิวหากายวิญญาณนี่เป็นเป็นเราอะไรเป็นเราล่ะก็เราในปัจจุบันยังค้นหาไม่มีเลยอะ่ะแล้วจะทักตังก้งคำถามทำไมว่าอาดีตเนี่ยเรามีหรือไม่มีอ่านะพอเข้าใจนะเอาใหม่ปัจจุบันนี้ค้นหาความเป็นเราก็ไม่มีแล้วหรือว่า ปัจจุบันนี้ก็ค้นหาอัตราไม่มีแล้วเอ้าแล้วไปถามว่าทาไมจึงไม่ต้องถามเลยว่าอาดีตนียอัตรามีหรือไม่มีแต่ถ้ากล่าวว่าพอแยกแยะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกหรือจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นเมื่อมีการแยกแยะแล้วเข้าใจปัจจัยถ้าเข้าใจปัจจัยอย่างนี้เข้านะเช่นจักขุู่เกิดจากมหาภูตรูปเป็นตัจใจใช่ไหมปัจจุบันนี้จักขู่ก็เกิดจาก มหาภูตรูปในอดีตจักขู่ก็เกิดจากมหาภูตรูปแม้ในอนาคตจักรคู่ก็เกิดจากมหาภูตารูปถ้าอย่างนี้ถามได้เพราะอะไรเพราะว่าไ อ, ไ อ, ไอความเป็นจักขคู่เนี่ยนะมันจะเกิดเมื่อไหรก็ตามมันก็มีมหาพูดเป็นตัดใจทีนี้ก็ตั้งกันแล้วเราเป็นจักขูใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ครนนี้ จากคู่มันก็เป็นจากัวนะเราไปสําคัญผิดเองว่าจากขูนี่มันเป็นเป็นเรานะเรียกว่าเพราะเมาไปนะบญตไ ป, ไปถาหาว่าถามกลับไปว่าถ้ากลังถามหาบัญญัติหรือถามหาป ร, รมัถา <c oughs> ถามหาบรรัญญัติเนี่ยในอดีตมีแต่ถ้ถามาหาปรมัดเป็นีตัของบัญญัติแล้ว <c oughs> ตัวตนน้นมมีจริง <c oughs> เนนกือบ <c oughs> อ่า มันก็ถามแล้วไออดีตเนี่ยบัญญัติมันเป็นยังไงบัญญัติก็คือเป็นอย่างที่อาจารย์อธิบายคือเป็นตัวที่มาสมมติสมมติงปรมัติมามเป็นโวหารของปรมาตเพราะนั้นท่านกำลังถามหาบัญญัติหรือถามหาปรมาตถถ้าถามหาปรมาตก็ตอบผัานท่านอายตนะถ้าถามหาบัญญัติก็บอกว่าไม่ก็ถามหาเราเนี่ยฟังนั้นเราเนี่ยอดีตมีหรือไม่มีก็ถามว่าเราของท่านเป็นบัญญัติที่อเป็นปรมัถ้าเป็นเนี่นะ แล้วบัญญัติกับปรมัดมันต่างกันยังไงปรมัดเป็นตัวเป็นตัวตั้งของบัญญัติมั้นคือบัญญัตินะมันเป็นสิ่งที่เป็นโวหารที่ที่เอาไว้กล่าวกันขึ้นเฉยเฉยมันถ้ายิ่งไปแยกอะไรเป็นบัญญัติเป็นปรมัดนี่ยิ่งกระบอกกระซิบโนว่ามันยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นโวหารที่เอาไว้เรียกกันอย่างเช่นคําว่าอย่างที่กล่าวไปว่ารถเนี่ยนะ คำว่ารถเฉยๆเนี่ยมันเป็นเนื่องจากอะไรทั้งหลายแหล่ที่มาประกอบประชุมกันเข้าเรียกว่าเรียกว่ารถเท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันนั้ถ้ามีการแยกแยะแล้วเนี่ยนะคำว่าเราเนี่ยหรือคําว่าอัตตาเหล่านี้ก็จับหมดไปทีนี้การศึกษานั้นอ่ะฉันต้นก่อนที่จะถามเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยเขาจะแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย สิ่งนี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมเกิดจากปัจจัยแล้วในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยใช่ไหมแล้วในอนาคตต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยใช่ไหมคือถ้ามีการแยกแยะแบบนี้แล้วแล้วตอนหลังบุคคลเหล่านั้นมาคุยกันมันจะไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยนะแต่ถ้าไม่มีการแยกแยะเนี่ยมันก็เป็นโดยมากก็จะเข้าเนี่ยปุพันตะทิฏฐิก่อนีนอดีตเรามีหรือไม่มีมี อันนะั้นก็เป็นกลุ่มสัสะตตตถิติอันนะั้นพวกนี้บางบางพวกที่คิดแบบนี้โดยมากระลึกชาติได้อันนะั้นมันจะมีพวกที่ระลึกชาติได้โดยอภินญาอย่างหนึ่งพวกระลึกชาติได้โดยบุญบางอย่างเป็นปัจจัยนี่นะให้เขาระลึกชาติได้หลายๆชาติเมื่อระลึกชาติได้ไอความที่ว่าไม่มีการแยกแยะวินิจฉัยเลยเขาก็เลยสําคัญว่าในอดี ต, ตการเราก็ก็มีเมื่ออดีตมีอนาคตต้องมี นะก็จะมีกลุ่มนี้ขึ้นขึ้นอันนะัก็จะต่อด้วยอดีตกับอนาคตจะเข้ามานนะแต่ถ้ามีการแยกแยะโดยความว่าทั้งหมดที่กล่าวไปคือขันอายตนะและธาตุขันอายตนะธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะนนะแม้ในอดีตขันนนะในอดีตก็เป็นขันนั่นแหละที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในอนาคตก็ ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไอข้ขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตทั้งหมดก็คือขันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะฉะนั้นอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็เบื่อห น, น่ายและคลายกำหนัดในในขันทั้งมว ล, มลมนเนี่ยนะก็อย่างเช่นจักขุ เนี่ยนะตอนนี้กลับจากขู่เมื่อวานเนี่ยเกิดจากปัจจัยเดียวกันไห ม, ไมอาหารเดียวกันหรือเปล่ามาหล่อเลี้ยงอันนี้ไม่ใช่นะเพราะงั้นก็ถือว่าจักขู่คนะอันแต่จักขูก็สัมพันธ์กันสืบเนื่องเพราะปัจจัยเนี่ยรักษาเอาไว้คือรักษาเอาไวใ้ให้มันให้มันดูเหมือนเหมือนเดิมไอความที่ไม่เคยเจริญอ น, นิจจะสัญญาก็เลยสําคัญว่ามันมเที่ยงเหมือนกับ ไปไปดูป่าไม้นะสมมติวาใครมาเที่ยวป่ า, านะยกตัวอย่างใครมาเที่ยวเชียงใหม่เฉพาะหน้าฝนถ้ามาเชียงใหม่หน้าฝนนะจะมองเห็นภูเขานี่เขียวไปหมดเลยงามมากปีหลังมาก็หน้าฝนอีกใบไม้ก็เขียวอีกปีหลังมาก็มาแต่หน้าฝนอีกอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วใบไม้ที่เขาเห็นเนี่ยมันใบเดียวกันไหมจริงแล้วไม่ใช่มันร่วงทุกปีเห็นะแต่ว่าไอ้ความที่แบบนิ้จะวิ ป, ปลาส คือคือไม่เคยแยกแยะ ก, ก็เลยนึกว่าใบเดียวกันใบเดิมเดิมเนี่ยนะใบปีที่แล้วอันใดใบปีนี้ก็ก็อันนั้นจริงๆแล้วมันผัดใบไปตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ก็จากปัจจัยนั่นเองมันนะทีนี้ไอ้ความสืบต่อเนี่ยเนื่องจากจริงๆอะ่ะมันมีการขาดตอนมันมีการขาดช่วงกันอยู่ในนั้นแต่บุคคลไม่เคยเข้าไปเข้าไปไข่ครวน อย่างอย่างผิวหนังเนี่ยนะผิวหนังวันนี้กับผิวหนังเมื่อสามวันที่แล้วผิวเดียวกันไหมที่เห็นหนะ้าหน้าเหมือนเดิมหมดเลยผิวเดียวกันไหมคุนาลีไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าไอ้ไอนิด จ, จะวิปปลาสไอความที่ไม่เคยไม่ไม่เคยทําปริญญาไม่เคยไข้ควรโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นก็เลยนึกว่าเดิมเดิมไปหมดเลยจริงๆแล้วไม่เดิมหรอกผิวหนังเป็นยี่คายไปหมดลอกเป็นยี่คายไปกันตามนะ ในที่สามวันนี่แล้วคุณมุลมีบอกเป็นข yeah. ี้ใครไปเรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีเราไหมล่ะไม่มีอ้าวแล้วเธอถามว่าเราในอดีตมีหรือไม่มีคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดอยู่แล้วนะนะคือคือก็บอกว่าปัจจุบันนี้ความเป็นเราก็ยังไม่มีอันนี้นี่พูดแบบแบบแบบด้วยเพื่อจะชําระมิทิฐิอ่ะนะ เพื่อจะชำระทิฏฐินี่ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคนตาใช่ไหมเป็นเราหูจมูกลิ้นกายหรือใจเป็นเราอะ่ะอ้าวแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราแหละแล้วในะอดีตจะมีเราได้ยังไงเดี๋ยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถามว่าเรามีหรือไม่มีแต่ถ้าถามว่าอดีตมีจกักขครูไหมอ่า น, นะจกักรครูอันนี้ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นใช่ไหมใช่ในอดีตจักรครูก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแม้ในอนาคตต่อไปจกักรครูก็ถูก ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงแต่ปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ไม่ได้สดับเนี่ยนะไอ้ความที่ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะโดยเฉพาะเห็นธรรมะที่ทําให้เป็นพระอริยะไม่ได้จเจริญสติปัฏฐานไม่มีสังวียวินยัยไม่มีปะหานะวินยัยความที่ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้มันเลยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคือเที่ยง เพราะฉะนั้นไอ้มิจฉาทิถฐิทั้งหลายโดยรวมๆแล้วเกิดจากนิจจะสัญญานี่อย่างหนึ่งนเกิดจากนิจจะสัญญาคือความเข้าไปสาคัญว่าเหมือนเดิมเนี่ยนะก็ก็นึกว่าคนนี้อันใดคนในอดีตชาติก็ก็คนนั้นแหละเนี่ยนะก็อันเนี้ยที่มาของมิจฉาทิฐิแต่เขาจะมีแบบถามซับซ้อนอีกว่าเอคนทำกรรมกับคนรับกรรมนี่คนเดียวกันใช่ไหย หรือคนละคนเข้ามานะถ้าคนทำกรรมอันใดคนรับกรรมก็อันนั้นอันนั้นเป็นสัตสตธิธิถ้าอีกคนหนึ่งทำกรรมอีกคนหนึ่งรับกรรมอันนี้เป็นอุเฉททิธิเอ๊ะตกลงมันยังไงก็คนตอนนี้มันก็ยังหาไม่พบเนี่ยนะคือคือพอแยกแยะจะมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามปัใจจัยเฉยเฉเนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยเนี่ย คือถ้ามองแบบหลักการแบบรถอ่ะนะบางส่วนอาจเสียซ่อมอะไรไปเปลี่ยนอะไรไปอ่ะนะก็องคประกอบอะไรแต่ละชิ้นก็มาจากทีจริงอ่ะมาจากคนละโรงงานด้วยซ้าไปอะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนํามาจากคนละโรงงานเอามาประกอบกันขึ้นตรงนั้นดูจะเสียไปเอาเอาอะไรมาเปลี่ยนใหม่ก็เลยดูทุกอย่างนี่เหมือนกับเหมือนเดิมหมดจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีการยักย้ายถ่ายเทมีการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้ก็คือขันอยตนาธาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนาทีที่แล้วก็เป็นขันอยตนาธาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น10ปีที่แล้วก็คือขันอยตนาธาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นหรือภพนี้ทั้งพบะคือขันอยตนาธาที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าปัจจัยคือเฉพาะกรรมที่นำปฏิสนธิต่างกันก็ถือว่าคนละภพแล้วเพราะฉะนั้นไอขันอยตนาธา ที่เรียกว่าพบในาดีก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแต่ปู่ตุชนสําคัญผิดว่านั่นเป็นเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นอัตราของเราเนื่องจากไม่เคยแยกแยะในความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เที่ยงสิถ้าเราจริงอะนะถ้าเป็นเราจริงอะเราก็ไม่เที่ยงออันนั้นไม่เที่ยงแล้วอันนี้จะเป็นเราได้ยังไงว่าอันนั้นมันหมดไปแล้วอย่างเงี้ยนะคิดไปคิดมามันก็แต่คำนวณว่า จะเยียบผ้าตัวเองแหละล้มอ่เนะเพราะฉะนั้นจึงความคิดแบบปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยคิดตามไม่ได้ทนนี่จริงตรงนี้เนี่ยความที่จริงเรื่องเรื่องปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องความความลึกซึ้งมากๆถ้าลองคิดคิดดูดีนะครับเพราะว่าปัจจัยก็มาแตกต่างกันออกไปแล้วก็แล้วก็ เกิดปรุงแต่งกันตลอดเวลาเลยจนไม่รู้ว่าจะเอาไอผลของการปรุงแต่งอันไหนอเป็นของเราอะ่ะเพราะมันมันเยอะแล้วก็มันมากแล้วต่า ง, า ง, างๆนานาเนี่ยจนไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนเป็นของเราทักทีอะ่ะพราะเอาเป็นของเรามันก็มันก็ไม่ใช่อีกแล้วถ้า <S <S <ข>จะเอา <S <S อเป็นเราอีกแล้วไอ้ความคิดอันนั้นถ้าจะเอาเป็นของเราอีกก็ <S <S ไม่ได้ไอ้ที่มาคิดว่าเป็นเรานะเพราะความคิดอันนี้ก็มาจากปัจจัยตั้งเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วความคิดอันนี้ยยังไม่เป็นเราเลยไหะ แล้วจะไปถามหาไอ้ น, นั้นอันนั้นอันนั้นนั้นเป็นเราได้อย่างไรมีเป็นความลึกซึ้งที่เรียกว่าถ้าเราไม่ศึกษาปจนะัจจัยนั้นเราจะพูดไม่ได้เลยว่าเราเห็นอ น, นิจจังใช่เช่น